3. ตติยภานวานสังฆเพทะกะถาว่าด้วยการทำลายสง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 แต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตวัตถุหประการเหล่านั้นก็พวกเราจงสมาทานประพฤติตามวัตถุหประการเหล่านั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับวัตถุห้าประการเหล่านี้ท่านรูปนั้นจงจับสลาก สมัยนั้นพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีประมาณห้ารูปเป็นพระบวชใหม่ไม่รอบรู้พระธรรมวินัยภิกษุเหล่านั้นจับสลากเพราะเข้าใจว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตตุษษาสั์ครั้งนั้นแหละพระเทวทัตทําลายสงแล้วพาภิกษุประมาณห้าร้อรูป เดินทางไปทางขยาศีสระประเทศต่อมาพระสารีบุตรและพระโมกลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนัที่สมควรครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า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 ภิกษุผู้เถระทั้งสองทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเดินทางไปขยาสีสระประเทศ